บรรดาลูกรักทั้งหลายตอนนี้เราก็ไปเที่ยวชมเกาะกันต่อไปออกจากเกาะปัญญีหมู่บ้านที่มีความสำคัญในทะเลแต่อย่าลืมว่าวกนี้เขาถือศาสนาอิสลามกันทั้งหมดปีก่อนๆพ่อไปไม่เคยเห็นมีตำรวจ <c oughs> แต่ปีนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่สามคนแต่ก็เหลือคนเดียว อาขึ้นไปพี่แกวางปืนอยู่ก็เรียกหยิบปืนในที่นี้ก็ไปพบน้องสาวเสียจวนเพื่อนไปเจ้าของโรงน้ําแข็งที่หน้าเพื่อมโนรมขําเธอเป็นนายกเทศสมนตรีหญิงน่ากลัวจะเป็นนายกทางลบบุรีอาจจะเป็นที่อะไรก็จําไม่ได้เนาะก็ไม่รู้ว่าน้ํำเพื่ออะไร ก็ช่างเถอะแล้วก็ไปเจอครูที่จังหวัดพระนครเสียอยุทยาหลังจากนั้นก็ไปภูเขาอิงกันแต้ความจริงภูเขาอิงกันนี่าะก็ไม่เห็นมันมีอะไรแปลกมันก็เป็นภูเขาแต่ว่าปีนี้น้ำลงมากเชิงพาที่ยื่ยนออกไปน้ำขึ้นมาเชิญปลาว้ายสบายน่าชมดี แท้แต่ว่านี่ยายของพวกเขาอิงกันนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากคืเอเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีช้างข้าวมากอยู่ที่พังงาที่จะกลัวป่าปีนั้นปรากฏไว้าช้างมาทําลายช้างข้าว ข, ของแกได้โกรธจัดจึงคว้าหอกเข้ามาไล่จะฆ่าช้างเดินไปเดินมาปรากฏว่าไล่ ดำหอบไปกระทบเขาลูกหนึ่งเรากลินย่อยเขาขาดไปแล้วกลายไปไปตั้งอยู่กลายเป็นเขาลูกหย่อมหลังจากที่พบช้างแล้วแกก็ฆ่าช้างตายฆ่าช้างตายแล้วจึงกระชากงาออกจากปากเอางาคว้างไปใ น, นทะเลกลายเป็นภูเขาเหมือนกับงาสองอันอิงกันเรื่องนี้พออ่านแล้วรู้สึกว่าโกหกหน่าดู <c oughs> เพรานั้นว่าเรื่องนี้เขาจะว่ายัางไงก็ช่างเขามันเป็นเรื่องประมปราหลังจากเที่ยวพวกเขาอิงกันแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรือก็นำลอะละัดไตเข้ามาเปื่ลอดช่องเขาช่องเขาก็มีรังนกหนังแอน่นเห็นรังนกหนังแอ่นแล้วลู้สิกรู้สึกสงสารอุตสาห์ทำรังไวเป็นที่อาศัยแต่ว่าคนจังไรก็รังมากิน เป็นนั่นว่าเรากลับเวลาค้ากลับก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวทะเลตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกสําหรับพ่อแต่ว่าสําหรับลูกเขาสนุกทั้งนี้เพราะอะไรพ่อมันหมดสนุกไปแล้วลูกรักได้ความสนุกรื่นเริงจริงๆของพ่อก็คือหนึ่งถ้าเห็นลูกทั้งหมดมีจิตเมตตาปราณี ราธนาสงเคราะห์คนลักสัตว์ให้มีความสุขอันนี้พ่อสนุกใจจริงๆรายการที่สองเห็นลูกบริบูรณ์ฤาษีราจารวัตรายการที่สามลูกของพ่อรู้จักตัดนิวรหาประการรายการที่สี่มีกำลังจิตขับราษฎรหานสร้างสังขารรุเปขายานให้เกิด นี่หนะ่าที่พ่อมีความเรื่นเริงมีกำลังกายกำลังใจทำทุกอย่างได้เพราะลูกทุกคนเป็นคนดีอยู่ในอวัยขององค์สมเด็จพระชินาสีฉะนั้นลูกทุกคนจึงเป็นที่รักของพ่อใครเขาจะเกลียดใครก็จะชังลูกเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าพ่อรักลูกทุกคนเสมอกันต้องการอย่างเดียวคือ จะนำทางให้ลูกคนทุกข์เข้าไปหาแดงความสุขที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความเปลี่ยนแปลงเล่นใดไม่มีความหนักใจแม้แต่น้อยนั่นคือพระนิพพานแต่ว่าลูกรักทุกคนก็ทำแล้วทุกอย่างตามอารมณ์ที่พ่อตั้งใจไว้มีความสุขใจความเรื่อเริงรันสาของพ่อมีตรงนี้ ในการเดินทางมาคราวนี้พ่อไม่มีจุดประสงค์ใจลูกทุกคนต้องจับใจ่ายใช้สอยใดๆทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการสนองความดีที่ลูกเสียสละเวลาการงานของลูกความสุขของลูกไปส่งครบอบครัวคลผู้ยากจนในถิมทระกันดานแต่ก็มีลูกสูสาสละเงินช่วยกันในการออกค่าเดินทาง อันนี้พ่อก็ขอบใจแต่ถ้าว่าเส้นดายอยู่นิดนถ้าลูกนำเงินจำนวนนี้มาติดตัวขวาไว้ซื้อของไปเที่ยและลึกไม่ผิกดกฎหมายเวลากลับก็จะเป็นการดีแต่ใอาสายที่ลูกนี้เป็นนักเสียสละพ่อก็ไม่ว่าเป็นความดีของลูกแต่น้ำใจของพ่อจริงๆอยากให้ลูกชายและหญิงทุกคนที่มีความเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้ว ได้ท่องเที่ยวมาดูภูมิประเทศภาคใต้แล้วก็เพื่อจะจำไว้ว่าที่ใดจะเป็นที่พักของเราบ้างให้จดจงกับตรงนี้เพราะว่าวันหนึ่งน้ะงานสายนี้ของเราจะต้องมีเพราะแานการรุนเยเทพของตนบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำขึ้นปรากฏว่าวันที่สิบเก้า แล้วก็เดินทางกันต่อท่านมํารุงวรวัฒน์ชนว่าวันนี้จะไปไหนพ่อก็บอกว่าตามใจท่านวันนี้เรามีการตั้งสารที่ลงไว้ฟ้าฝ่ายปิดการตั้งสารในคราวนี้แล้วก็มีสิ่งที่สะดุดใจอ ย, ยู่นิดนั่นก็คือคนในเขตของลงไวฟ้าฝ่ายปิดฝ่ายกะ บ, บี บางท่านที่ไม่มีความเข้าใจเพราะว่าถือวิเทศยาศาสตร์มากเกินไปก็ไม่ทราบได้ทิ้งร่องรอยแห่งความคิดว่าเป็นการไม่สมควรอาจจะมีเยอะบ้างต้องขออภายัยแต่เรื่องนี้พ่ไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็ เ, เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งพ่อเองก็มีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก่อนแต่ว่าน่าสนใจอยอนิดหนึง่งไม่เวลาเชิญบวงสรวง ตอนนั้นรู้สึกว่าพอเสร็จท่านก็มาบอกอะไรต่ออะไรกันมากทั้งความปลอดภัยก็ไม่เทศทั้งความทรงอยู่ว่าการประเทศของเราที่จะเป็นท้าทของคอมมิวนิสต์นั้นเป็นไปไม่ได้ยังไงยังไงประเทศไทยก็ปลอดภัยท่านมาพูดเรงทรัพย์สินหลายจุดว่าทรัพย์สินเป็นทรัพยากรต่างๆมีมากในภาคใต้และภาคเหนือภาคกลาง ความจริงเมืองไทยเราหนีเรานั่งทับนอนทับเงินทองแก้วแวันของที่มีค่ามีราคามากแม้แต่ว่าแก๊สแลอน้ำมันเร่แรอยู่เรื่อเงียบเพชรนินจินดามีเยอะวันนั้นรู้สึกว่าท่าน่ะเปิดให้คอยเห็นตามจุดซ้ายใต้ทั้งหมดแต่ว่าปรากฏว่าที่เราตั้งสายกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้มีแร่เงินมาก ถ้าบอกถึงจังหวัดนอกจากจังหวัดกระบี่ก็มีจังหวัดพังงามีจังหวัดพัทลงุงอะไรพวกนี้มีหลายจังหวัดมีแร่เงินแล้วก็มีทองมีอะไรเยอะแยะพอขี้เกียจําท่านบอกสัญลักษณ์ว่าเราจะรู้จักแร่เงินคนลงไปแล้วด้านบนจะมีดินสีแดงคล้ายลูกหลงังแล้วตอนนั้นก็จะมีเขาเรีหินดานมีสีนวล ที่ไหนมีสภาพอย่างนี้ที่นั่นมีแรงเงินแล้วก็แรกเงินนี่มีมากท่านบอกว่าชั้นแรกยังมีจำนวนนับเป็นแสนแสนตันชั้นที่สองที่สามทีสส่สี่มีจำนวนนับเป็นสิบสิบล้านตันไม่ใช่ที่กระบีแห่งเดียวนะคือนับตั้งแต่กระบีไปถึงพังงาแล้วก็อะไร สตูลนลจังหวัดตรังแล้รพวกนี้นี่จะเป็นสี่จังหวัดการขุดลงไปก็ไม่ลึกจนเกินไปในระยะต้นก็จะไม่ขุดล่ะบอกกันไว้เท่านั้นว่ามีของที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากแต่คนไทยพูดจะไปดีอะไรต้องฝรั่งพูดฝรั่งพูดคนไทยจึงอยฟังเพราะถ้าคนไทยพูดฟังแล้วก็ผ่านหูไป ดังนั้นเมื่อพ่อพ่อยเห็นว่าคําพูดของพ่อไม่มีค่าเพีทิ้งไว้เพียงเท่านี้ถ้าเห็ในใครเห็นว่ามีค่าเมื่ อ, อไรแม่เทวันดาหรือญาติก็จะพูดมากกว่า น, นี้ถามด้วว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้จะขึ้นมาได้หมดเมื่อไรเมื่อะไรจะมีโอกาสเทวัดาท่านบอกว่าคนดีคนไทยดีเมื่อไรทรัพยากรทั้งหลายขึ้นมากเม่อ น, นั้น ละประเทศไทยจะเป็นมาหาเศรษฐีใหญ่อินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีพ ม, ม่า ก, ก็ดีลาว ก, ก็ดีเขมรก็ดีอะไรก็ตามไทยใหญ่ไทยเล็กอะไรก็ตามทั้งหมดเขาจะขนานปันเนื้อขมาเป็นตึกเป็นอันเดียวกันรวมความเอเชียทั้งหมดเท่านั้นจะเป็นเพื่อนกับเราและทุกประเทศก็อยากจะเป็นเพื่อนก็อาศัยความร่ำรวยเป็นปัจจัย สำหรับน้ำมันก็เป็นคลังใหญ่ที่สุดของโลกแต่ยังขึ้นมาหมดไม่ได้เพราะว่าคนไทยยังดีไม่พอสำหรับประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีโอกาสเป็นอันว่าเมื่อบวงสวงเสร็จเวลาที่สองนอกาสามสิบนาทีก็เดินทางไปปากปากอาก็บี่ในวันนี้ก็สนุก แถลันของกองบัญจาการาหารทรงสุดเจ้วหน้าที่เข้าเติมน้ํามันที่ปั้มสามทหารรถของคณนะเราอีกนอกจากนั่งเข้าไปเติมน้ํามันที่แม่ที่ปั้มตราดาวรถลันความจริงห่างกันเล็กน้อยไม่ถึงขึ้นกิโลรถลันเอาได้ไม่ไดเดียวซาเล็กฟ้าคิดว่าพวกเราไม่ค่อยก็ก็วิ่งเอาแต่บึงไปนั้นว่าคณนะในรถลันเลยไม่ได้เที่ยวทะเล ไปคอยอยู่ที่หาดนปรัฐธาราเป็นเรื่ว่าพบกันที่นั่นวัจนเป็นสำหรับปีนี้ก็แปลกหาดนั้นเป็นหาดจริงๆหาดยายยขึ้นาวมากไกลเกือบจะถึงกิโลเพก็ไม่เคยเห็นก็มาทุกคราวน้ําทะเลไม่ได้ลงน้ําทะเลเึ็นมองไม่เห็นหาดเห็นได้เพียงว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ตั้งอยู่ชายทะเลเฉยๆ การเที่ยวเรือคราวนี้โต้คืนสนุกเองเกาะก่อหนึ่งที่เป็นเกาะที่สวยส ด, ดงามเพมนน้ำใสสะอาดโดยการเดินทางปลายปัจวันนั้นมีคนเดินทางไปประมาณห้าร้อยคนเศษไปที่เกาะนั้นไปพักแรมกันพ่อคิดว่าปีต่อไปการเดินทางพ่จะใช้ระยะเดินทางในเขตสั้น จะให้ลูกทั้งหลายได้มีโอกาสได้ชมภูมิ ป, ประเทศในทะเลและชายทะเละให้ซึ่งถึงใจสงค์ในการเหน็ดเหนื่อยความดีของลูกอยากจะไปที่ก่ะ น, นั้นถ้าเป็นหนว่าสำหรับเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยี่สิเบเอ็ดพ่อจะต้องเดินทางให้กันยาได้สิงหาพ่อะจะไม่ได้ มาที่อะไรทุ่งสองอีกั้งหนึ่งเพราะว่าเขาะทำงานปีของของสถานีหรือว่าเป็นวันเปิดเป็ น, ว, นวันเปิดกองอกองกำกับการตอนนั้นพ่อจะมาถ้ามีโอกาสบังเอิญถ้าเป็นวันค่อบคือวันเสาร์อาทิตย์ยังไม่ได้ดูปฏิทิน ก็อยากจะชวนลูกมาจอดเรือกันอยู่แล้วมาจอดรถกันอยู่ที่กระ บ, บีแต่ก็ต้องเสียเวลาสองวันต้องลาวันศุกร์กับลาวันจันทร์วันศุกร์มาถึงกรบีวันเสาร์เราลงเรือไปที่เกาะ น, นั้นถ้าขึ้นลมไม่มาก บ้างาวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันจันทร์เดินทางกลับแต่ความจริงอาจจะต้องลาทั้งวันอังคารกลับไป น, นอนพักเช้าวันอังคารเดินทางกลับถ้าเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะมานาฬิาอื่นก็เมือนกันแต่ระยะนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าทุกทุกคนจะมาได้ถ้าเรามากันได้จริงๆแล้วควรจะมากับปีหน้าดีกว่า ให้บ้านพักของหลงไปฟ้าฝ่ายปิดสัาเม่สิูกท่านบอกว่ามาพักกันได้ถึงร้อยคนแต่ตอนนี้เราก็ควรจะตั้งมุมกันมาเลยพอมาถึงปั๊บเราก็ต้องไม่ฟังเสียงจัดธรรมอาหารการบริโภคกันทันทีเมื่อท่านจะเลี้ยงกให้เป็นวาระคือมือแรกที่เราเข้ามาถึงเรายอมและเลี้ยงนอกจากนั้นเราทำกันเอง เพื่อความเบาใจของท่านการเช่าเรือไปเช่าเรือมาเราก็พยายามออกกันแสงเขาหมดเรื่องแต่ท่านคงจะไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมท่านไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเพื่อความเบาใจก็สนุกสบายดีดาการอย่างนี้ถ้าบังเอิญลูกทั้งหลายจะขัดข้องอยู่บ้างพ่อก็คิดว่าจะหาทางเรื่องเรือแพ แค่ว่าพ่อช่วยยังไงไงแกก็ไม่เอาปีนี้ก็ในนามของลูกแกก็ไม่เอาก็ต้องคิดเป็นอันวัาท่องเรือปีนี้เป็นของอัศจรรย์เมื่อเรือทอดสมอแล้วก็มีสัตว์ตนหนึ่งไหว้ก็หมาเรือทุกคนเห็นกันเขาบอกว่าจะโกรธไม่ใช่สีเหลืองค้ายทอง พ่อบอกพ่มาเลยมาเลยเข้ามาเลยมาเลยกค่หันหน้ามาตรงพ่อไหวรีมาแบบดีใจพอเข้ามาใกล้เห็นคนตามธรรมดาสัตว์ประเภทนี้จะไม่พยายามเข้าหาคนเพระโกรคนเห็นพวกเราเกิดดำพุกหลอดเลยพ่อเกิดดำพ่อก็หันดูทางเลยด้านหนึ่งแค่โผล่พอดีมันว่องไปแบบนี้แค่เราเหลียวหน้าไปเท่านั้นไม่ได้เอาหน้าคาไว้พอเกิดดำลงไปพ่อก็หันหน้าไปพอดี หันหน้าไปทันทีดูว่าแกจะโผล่ตรงไหนแกจะโผล่ทันทีตามสายตาที่ไปทีกลายเป็นสัตยาสศจันท์แกก็หันเลี้ยวเข้ามาเล่นทางไทยเลยถ้ามองกันไปแล้วพอคิดว่าไม่ใช่สัตว์จริงเมื่อขึ้นมาบนหาดลบประทารานั่งรถคข้ามาที่สุสานสุสานหอยเจ็ดห้าล้านปี เขาฝรั่งเขาบอกว่าสามถึงห้าล้านปีถึงเจ็ดถึงห้าล้านปีแต่พ่อลงไปนั่งก็มีเทวันดาท่านหนึ่งท่านบอกว่าหกสิบเจ็ดล้านปีท่านถามว่าจะเวลาแน่นอนไหมก็เวลาที่แน่นอนจริงๆท่านบอกว่ามีหกสิบเจ็ดล้านปีท่านบอดเสร็จถต่ก็เลยไม่จําเสร็จเพราะไม่มีความสําคัญมันจะกี่ล้านปีมันก็เรื่องของหอยตาย ห้อยตายได้ชั้นใดชีวิตของเราก็ตายมันห้อยชั้นนั้นสิ่งที่มันจะคงอยู่ได้ก็คือกระดูกคงนานหน่อยในที่สุดมันก็จมพื้นปฐพีขึ้นชื่อว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงก่อนที่เราจะตายจงคิดไว้ว่าเราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าไม่มีการตายต่อไปนั่นคือกมิตร พ่อมั่นใจในพนักํำลังใจของลูกและความดีของลกูกว่าพระนิพพานสมบัติจะไม่ขาดไปจากกำลังจิตของลกูกถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลูกต้องได้แน่นอนนี่เป็นความหวังของพ่อแต่ถ้าว่าถ้าลูกของพ่อลืมความดีสิไม่ไรจิตใจไปโผล่พันอยู่ในราคะก็ดีพผลพันอยู่ในโลภะความโลภ ก, ก็ดี พ่อพันอยู่ในความโกรธความย่ำบายคนดีพ่อพันอยู่ในความหลงกนดีเป็นอันว่าลูกกับพ่อนี้ต้องแยกทางกันเดินไม่ใช่พ่อโกรธลูกจะเวลาตายจริ ง, รงๆเราตามกันไม่ไหวความว่าลูกรักทุกคนเขาจะจำได้คนจะละสิ่งทั้งลายทั้งหลายเหล่านี้ได้คือพยายามละทีละน้อยตอดเบื้องมันไปไม่ช้ามันก็หมด เป็นนั้นว่าขอพูดถึงสัตว์ตัวนั้นขณะที่พ่อนั่งรถมาจากหาดสบรัธาราจะขาเข้าท่านเขตสุสานหอยเจ็ดสิห้าล้านปีด้วยสาสิห้าล้านปีที่เทวดาบอกทีเจ็ดล้านปีก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึง่ง แต่งตัวสวยสดเพื่องามมีประกายเพื่อตั้งตัวเครื่องประดับเป็นเพชร ส, สีขาวสวยมากมีแสงสว่างถ้ามันนั่งข้างพ่อในรถยกมือไหวรายงานว่าผมเป็นสมุรทรธีวาหมายถึงว่าเป็นเทวดาที่รักษามาหาสมุทรและท่านก็บอกว่าสาัตว์ตัวนั้นเป็นสถิติผลนิริมิตนิริมิตรขึ้นหนึ่งครับ เพื่อเป็นการสแสดงว่ามีความดีใจและก็ปลื้มใจกับนักบนที่มากันเห็นว่านักบนส่วนใหญ่ที่มานั้นมีวิสัยจะเข้าถึงพนิพพานมากผมมาโมทนาแล้วก็โมทนาในความดีที่ท่านบำนุวงอรวัตรผอนวยการลงไว้ฟ้าฝ่ายผิดแห่งจังหวัดกระบี ที่ท่านมีความดีทั้งเก่าว่าบุคคลพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเกิดต่อไปฉะนั้นเมื่อนักบุญมากันมากก็ชื่อว่าเป็นคุมบุญใหญ่ถึงได้มาโมทนาด้วยช่วยให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปท่านบอกว่านับตั้งแต่ย่างที่เวลาพวกเราเดินเดือนเดินกันลงเรือมาท่านไม่ได้ห่างพวกเราท่านลอยอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่มีใครสนใจในท่านแม้แต่พออ่อเอง พ่อก็ไม่คิดอะไรมากมโมจะมองดูความรื่อเริองหันษาของวรนดานลูกทั้งหลายทําให้ใจเชื่อมบานรู้สึกว่ากําลังใจของพ่อเป็นศขมากแต่รู้สึกว่าคิดถึงบุคคลที่นั่งรถแลนว่าไม่มีโอกาสได้มาเรื่องเริองอันษาในทะเลในคราวนี้เป็นอันว่าเราเที่ยวจังหวัดกะ บ, บีกันก็จบหมดเวลาก็กลับกลับก็นก็เย็นขำมาก เวลาที่เรากลับถึงจะถึงโรงภาพยต์ฝ่ายปีตนี่พ่อไม่ได้จดเวลาแต่หวังว่าอ๋อดูมันว่าจะเป็นเวลาสิบหกนกาสี่สิบห้านาทีพอที่บอกนกาสี่ิห้านาทีนี่เราเข้าลานโซสารหอยแต่ว่าหลังจากนั้นเราเดินทางมาพ่อมันจดเวลาไว้ เกืนวันที่19นี้พ่อมีโอกาสไปสังสรรค์ทันสากัมมันดารูกรักทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายลมไฟฟ้าฝ่ายพริกก็มีการคุยกันดีรู้สึกว่าทุกคนที่มาเขาเคารพในธรรมมีความเรียบร้อยไม่เหมือนกับตอนกลางคืนวันที่21ที่พ่อกำลังพูดกันนี้ มีเจ้าหน้าที่ของปรหลายประสณีอาจจะเป็นนายบระสณีจะไม่ใช่ก็ได้ท่านมาถึงพกก่กระแปลกใจท่านนั่งคาตา ม, มาัดปรับก็คุยแบบสบายแต่พ่อไม่ถือขวาหาฟามอะไรแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เสียดายที่ท่า น, สนแสดงออกแบบนั้นก็สนแสดงว่าท่านไม่ได้สนใจกับภ้ากาสาวพัดที่เอาสมเร็จพระทรงเสว์ สมมติให้ว่าถ้าใค่ครองสิ่งนีแล้วท่านทีว่าเป็นพระยัดว่าเป็นปูชนียบุคคลหากว่าท่านไม่เคารพในในตัวบุคคลคือพ่อท่านก็ควรจะเคารพในองค์สมเด็จตถาสมาสัมพุทธเจ้าจึงกระท่านท่านผู้กํากับมาท่านเห็นท่านพูดกำกับนั่งพับเพียบท่านยินยอมพับเพียบด้วย พ่อก็คิดในใจว่าองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสมภเทชเจ้าจะทรงโปรดใครนั้นพระพุทธเจ้าทรงโปรดเมื่อเขามีความเคารพตัวอย่างที่ทรงสเสด็จไปกรุงก บ, บินภัตมหานครเมื่อจอมบอกพิ ธ, ธีสอนคือพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชมีความเคารพเป็นพระราชวินดยก็จริง แค่ว่าบรรดาญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโกรธเลี้งคว่าเมื่อบรรดาพระญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายถวายความเคารพอย่างจริงใจองค์สมเด็จพระจอมใจจึงเทศโกรธฉะนั้นพ่อก็ต้องถือข้ติของพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเพราะพ่อถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของพ่อในเมื่อพ่อไม่บวชคนเช่นใดพ่อก็ต้องไม่บวดคนเช่นนั้น คนที่นั่งคาตามายคุยกับพระพ่อถือว่าเขาไม่เคารพในคุณพระรัตนไตรจะทำยังไงให้พ่อสงเคาะโดยทำพ่อไม่ทำแน่เพก็แต่คืนทำก็ขัดพระพุทธประสงค์ข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาที่ตุงสงฆ์นี้พบแล้วสามคนพบเห็นคนเขาคาถามายคุยกับพระก็เป็นนั้นว่าปล่อยเขา เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของพ่อก็เรื่องของพ่อผมเห็นประบาทสมเด็จเอยหัวไม่เห็นกับพ่อพบพ่อที่ไรถ้าไม่นั่งคุกเขาท่างก็นั่งปับเทียบไม่เคยเห็นประบาทสมเด็จเจอยหัวทรงนั่งคาถาหมัิคุยกับพ่อแล้วไม่กรไม่เห็นนั่งเก้าอี้คุยกับพ่อนี่ไม่ใช่ามาทับผมเขาแม้แต่ท่านผู้ใหญ่ทั่งท่านานายการัฐมนตรีก็เช่นเดียวกัน พ่อนั่งเก้าอี้ท่านก็ไม่ยอมนั่งเก้าอี้ท่านนั่งข้างล่างท่านก็นั่งพักเหียบนแสดงความเคารพรอบนอดเป็นผ้ากาสาวพัตนี่ไม่ใช่หมายความเคารพในพ่อท่านเคารพในพระศาสนาส่วนบุคคลไม่มีความหมายเห็นชายสามคนเขานั่งคาตมัดคืยกับพ่อพ่อไม่แปลกใจเพราะพบมามากแต่เสีนยนใดที่ธรร ม, มระพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าไม่เข้าถึงใจของท่านตรงนี้ หากว่าท่านผล น, นี้เมียมหน้าดนกายควบคุมคนก็จะเป็นก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความทุกข์เพราะบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความเคารพสําหรับเทพหน้าเทพหน้านี้เลยเนี่ยต้องจบเพียงเท่านี้นะลุกนะก็หมดเวลาทีแล้วคือแทบจะหมดสายก็ขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี